มีคนเขียนจดหมายมาปรึกษาเรื่องธรรมะเป็นปัญหาที่ดูจะแปลกนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ได้ยินบ่อยขึ้นเรื่อยๆก็คือผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็มีเพื่อนที่ประสบปัญหาด้านการเงินเพื่อนเป็นทุกข์มากนะ เพราะว่าปัญหาเขานี่มันหนักเรียกว่าเกือบจะล้มละลายก็ได้เป็นปัญหาด้านการเงินเขาก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงได้เพราะเขาก็ไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่เขาก็เลยไปช่วยด้วยการให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาให้รู้จักทำใจแล้วก็ชวนไปทำบุญด้วยมันก็ไม่น่าจะมีอะไรนะแต่ว่าเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะเขาก็ธุรกิจของเขาคือขายแบตเตอรี่ก็ขายดีนะเขาบอกขายดีแบบไม่น่าเชื่อเลยแต่ว่า ระยะหลังเนี่ยรายได้จากการขายก็ไม่ค่อยดีเขาก็เลยสงสัยว่าเอมันเป็นเพราะเจ้ากรรมไหนเวรหรือเปล่าการที่เข้าไปช่วยเพื่อนที่ประสบความทุกข์ก็ทำให้กรรมของเพื่อนนี่มาตกที่เขาทำให้ธรรมหากินฝืดเครื่อง นี่เป็นคำถามที่เพิ่งได้ยินนะแต่ว่าคำถามทำนองนี้เคยได้ยินมาก่อนเช่นมีคำถามว่าการที่เราไปช่วยผู้ป่วยที่เขากำลังจะตายเนี่ยแทนที่เขาจะตายก็ช่วยทำให้เขาดีขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เราต้องไปรับกรรมจากเขาไหมหมายความว่าเจ้ากรรมในเวรของคนนั้นเนี่ย ก็จะมาลงที่เราแทนหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ก็มีความเชื่อในหมู่หมอพยาบาลว่าถ้าไปช่วยคนใกล้ตายนี่จะไปช่วยมากนะักนะเพราะว่าเดี๋ยวเจ้ากรรมในเวญของคนนั้นคือถ้าช่วยเขาหลอดเนี่ยเจ้ากรรมของในเวญคนนั้นก็จะมาเล่นงานเราแทนอันนี้ได้ยินมาหลายปีแล้วะแล้วก็คนที่เชื่อก็เป็นหมอและพยาบาลแต่ว่าตอนหลังก็ มาได้ยินอะไรแปลกๆทำนองนี้นะก็คือขนาดว่าแค่แค่ให้คําแนะนําเขานะแค่ให้คําแนะนําเพื่อนที่มีปัญหาด้านการเงิ น, นแล้วชวนเข้าไปทําบุญก็มีความสงสัยไว้เราเจ้า ก, กาันเริเวณเข้ามาเล่น ง, งานเราหรือเปล่านะทําให้ค้าขายไม่ค่อยดีธรรมะก็ตอบไปว่าการที่เราไปช่วยเพื่อน เราไม่ได้ช่วยในทางที่แย่เราช่วยในทางที่ดีสิ่งที่เราทำก็ดีทั้งนั้นเช่นให้คำแนะนำชวนเขาไปทาบุญให้การชวนเขาไปทาบุญนี่ถือว่าได้บุญนะเพียงแค่คนมาทำบุญแล้วเขาไม่เขาเราไปชี้ทางว่าทำบุญมาทางนี้นะเราก็ได้บุญละมีในพระเตยปิโดพูดถึงผู้หญิงที่ไม่มีเงินแต่ว่า บอกทางคนไปทำบุญแค่บอกทางนี้แหละนะอันที่สงก็ทำไม่ได้ไปสวรรค์ไอเมื่อทำความดีแล้วเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจว่าทำดีก็ย่อมได้ดีนะความดีก็ย่อมอำนวยอันที่สงที่ดีให้กับเราไม่ใช่จำเป็นว่าจะต้องรวยเสมอไปนะ แต่ว่าก็หมายถึงว่ามีความสุขอย่างนั้นก็สุขใจผู้เจ้าก็ตัดไว้เองว่าทำย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมในเมื่อเราทำดีแล้วเราจะได้ได้เลวหรือได้โทษได้อย่างไรนะทำดีก็ต้องได้ดีทำดีแล้วได้ชั่วนี่มันไม่มีหรอก อันนี้เนี่ยข้อแรกเลยนะคือเดี๋ยวนี้คนเนี่ยไปคิดว่าการทําความดีชักไปไม่แน่ใจแล้วเพราะทำดีโดยเพราะไปช่วยเหลือใครนี่เดี๋ยวจ้ากรรมในเวรคนนั้นจะมาเล่งงานเราไอ้ความคิดแบบนี้มันไม่มีในพุทธศาสนานะพระเจ้ามีแต่ส่งเสริมให้คนทําความดีใครยิ่งลําบากยิ่งต้องช่วยเขานะเราก็ได้บุญด้วยเขาก็ได้ความสุขด้วย การต่อมาคือว่ากฎแห่งกรรมที่มันยุติธรรมนะก็คือใครทําคนนั้นก็รับเขาเรียกว่ากรรมใครกรรมมันนะมันไอ้รับนี่คือรับวิบากนะวิบากเนี่ยมันโอนให้ใครไม่ได้อย่างแม่เนี่ยเห็นลูกป่วยเนี่ยนะแม่นี่จะขอรับเอาความป่วยของลูกมาไว้ที่ตัวแม่แม่ยังทําไม่ได้เลยนะเพราะว่า ลูกเขาทำกรรมที่ไม่ดีไว้เช่นขับรถจนเมาประสอบอุบัติเหตุสมองตายหรือว่าพิการอันนี้ก็เรียกว่าลูกนี้รับวิบากนะแต่ไม่ใช่กรรมจากอดีตหรอกเป็นกรรมในปัจจุบันชัดๆไปเลยแม่นี่ก็ร้องไห้อยากจะให้กรรมของลูกหรือวิบากของลูกมาอยู่ที่ตัวแม่มันยังทำไม่ได้เลยเพราะว่ากรรมใครกรรมมัน นี่ขนาดขอให้มาขอรับวิบากยังรับไม่ได้เลยแล้วถ้าไม่ถ้าไม่ร้องขอแล้ววิบากมันจะมาลงกับเราได้ยังไงในเมื่อเราไม่ได้ทำนะกฎแห่งกรรมที่มันเที่ยงธรรมมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครใครทากรรมอะไรไว้เขาก็ต้องรับกรรมเขาเองแต่ไม่ได้แปลว่าเรานิ่งดูได้เราก็ไปช่วยคนนะแต่ช่วยเนี่ย ก็อย่าไปวิตกว่าเดี๋ยววิบากของเขาจะมาตกที่เราแทนมันโอนกันไม่ได้มันไม่ใช่เหมือนการโอนหุ้นโอนบ้านนะไอ้กรรมนี่มันโอนกันไม่ได้แม้อยากจะอยากจะรับแทนก็ตามนะเด็ดเด็นี้เรามีความเชื่อเรื่องกรรมแปลกๆนะไอ้กดแท่งกรมกรมนี่แทนที่จะส่งเสริมให้เราทําความดีกับทําให้เราไม่กล้าทําความดีเพราะกลัวว่าเจ้ากรรมในเวรของคนโน้นจะมาเล่นงานเรา ไอ้คำเจ้าคำนายเวนนี่ก็เป็นของใหม่นะมันไม่มีในะพระไตรปิดกมันมีแต่คำว่าคู่เวนนะคู่เวนคู่กรรมนะคู่เวนคู่กรรมมัคือคนที่เขาโกรธแค้นพยาบาทเพราะว่าถูกเบียดเบียนถูกทําร้ายนะคู่เวนนี่มันก็จะเป็นมันก็จะเจาะจงอยู่แต่เฉพาะคู่ที่เคยทําร้ายตัวเองเบียดเบียนตัวเองมาก่อนนะ แต่เดนี้เราไปมีความคิดเรื่องย่อกำรรในเวรว่ามันเหมือนกับพลังมืดนะปีศาจร้ายที่สามารถจะมาเล่นงานใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคนดีคนชั่วนะเพื่อศาสนาก็สอนในเรื่องคู่เวรกับเรื่องแรงกรรมนะแรงกรรมคือว่าทํากรรมใดไว้เนี่ยกรรมนั้นก็มีแรงที่จะส่งผลจะเป็นแรงที่บวกก็ได้ลบก็ได้ แต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นอดีตชาติก็ได้นะในปัจจุบันาชาติก็ได้เช่นกินเหล้ากินเหล้าก็เมาขับรถชนสาวไฟฟ้าตายหรือว่าสูบบุหรี่มากๆสิบปียี่สบปีสาสิบปีแล้วก็เป็นมะเร็งพอเป็นมะเร็งเราบอกว่าเจ้ากรรมในเวรมาทำให้เป็นมะเร็งอันนี้มันปัดความรับผิดชอบนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยกิน สูบบุหรีเองสูบบุหรีแท้ๆสูบบุหรีกับมือมาสิบปีสิบปีพอเป็นมะเร็งกับแทนที่จะโทษตัวเองว่าตัวเองเนี่ยนะไม่ดูแลรักษาตัวเองกลับไปโทษเจ้ากรรมนายเวรคนสมัยนี้ความรู้มากแต่ว่าไม่ได้ใช้ปัญญาแนละ้วเดี๋ยวนี้มันก็แปลกนะพอไปคิดเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้มีจิตใจ ว่าใจไม้ใส่ละก ร, รมไม่มีน้ำใจคเคยเล่าให้ฟังแล้วนะนักปฏิบัติธรรมคนหนึ่งเป็นผู้หญิงก็เก็บตัวอยู่แต่ในวัดน้องชายเป็นมะเร็งอาการก็แย่โรงพยาบาลก็ดูแลจนทั่งเข้ามากลับไปที่บ้านได้แต่อยู่ที่บ้านไม่มีใครดูแลพยาบาลก็เรียกพี่สาวให้มาช่วยดูแลน้องน้องชายหน่อยพี่สาวก็บอกว่าไม่หรอก ที่สาปฏิเสธเพราะว่าเขาทํากรรมของเขาก็ต้องรับกรรมเองนะฉันจะขอปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างนี้ไม่เรียกว่าอย่างงี้เรียกว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วนะน้องชายเดือดร้อนแ ท, แท้ยังไม่ช่วยนี่มันจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมได้ยังไงนะเพราะว่าตกตั้งแต่ข้อที่ว่าไม่มีเมตตากรุณาแล้วพยงคุนี่ก็จะเชื่อได้ว่าถ้าไปช่วยน้องชายแล้วเดี๋ยวเจ้ากรรมในเรของน้องชายจะมาเล่นงานเขาเนะีย มันน่าแปลกที่ทั้งที่คนสนใจธรรมะมากขึ้นนะแต่ว่าความเชื่อที่ผิดๆแบบนี้มันก็แพร่หลายมากขึ้นทุกทีถ้ามันเป็นอย่างนี้มากขึ้นคนที่เป็นนับถือพุทธศาสน า, ากา็จะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่มีน้ำใจนขนาดแนะนำเพื่อนชวนเพื่อนทำบุญก็ยังไม่แน่ใจว่าทำดีหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวเจ้ากรรมในเรืของหมอ น, นั่นจะมา เรื่งานที่เราทำให้ค้าขายไม่ขึ้นนี่ไปไกลถึงขนาดนี้นะเมื่อวานนี้ก็มีอีกลายหนึ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาทายังไงดีเงินหายโทรศัพท์หายนะไม่เคยหายมาก่อนเลยเพราะเป็นคนระมัดระวังมากแต่ว่าเมื่อวันนั้นไม่ระมัดระวังก็เลยหาย สงสัยว่าเอ๊ะทําไมนะเพราะว่าตัวเองก็เป็นคนที่เสียงก็เคร่งครัดนะทําไมถือเสียงเคร่งครัดถึงมาเจอเรื่องแบบนี้เนี่ยนี่ก็แปลกนะไอ้การถือเสียไม่ได้ไปหลับประกันว่าจะไม่ต้องจะไม่ต้องสูญเสียเงินสูญเสียโทรศัพท์ถ้าถือเสียแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตายนั่นแหละเออถึงจะมั่นใจได้ว่าจะไม่เจอกับการสูญเสีย แต่ว่าเราก็รู้ใช่ไหมถือสินเครื่งาคาแค่ไหนก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยต้องตายและนับภาษาเรียกัาการเสียเงินเสียโทรศัพท์นะเพราะว่าความสูญเสียพระพ่อเป็นธรรมดาอยู่แล้วไม่ใช่ว่ารักษามีสีแล้วจะไม่เงินไม่หายรถไม่พังแล้วก็ไม่ใช่มันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนก็ต้องเจอไม่ว่าดีหรือชั่วไม่ว่ารักษาสีหรือไม่ก็ตาม เขาก็สงสัยว่าอ้มันมันเป็นเพราะว่าไปขโมยเงินเข้ามาในชาติที่แล้วหรือเปล่าที่จริงในจดหมายเขาก็ตอบเองอยู่แล้วพ่อเขาบอกเข้าไม่ระมั่นระวังไอ้ไม่ระมั่ระวังนั่นแหละคือกรรมแล้วล่ะนะไม่ใช่กรรมในอดีตนะกรรมในปัจจุบันการที่เงินหายของหายนี่มันก็เพราะมีเหตุปัจจัยก็คือหนึ่งไม่ระวังเผลอเลอสองมิจฉาชีพมา มาเห็นมาเจอพอดีสองอย่างนี้มาประจบเหมาะกันก็ของหายเงินก็หายเนี่ยอันนี้เราไปคิดว่าการถือศีเนี่ยมันจะเป็นเป็นเป็นหลักประกันว่าจะต้องไม่เจอแต่จะไม่จะไม่เจอแต่ความทุกข์เจอแต่สิ่งดีๆนี่ไม่ใช่เพียงแต่ว่ามันช่วยทําให้เหตุร้ายลดน้อยลงถ้าไม่ถือศีน เหตุร้ายก็อาจจะเจอเต็มๆร้อยเซแต่ถ้ามีศีลก็จะลดไปได้เจ็ดเปอดิเปอร์เซตอีกสามสิเอร์ซยี่สอร์เซก็ต้องลดเล็ดรอดเข้ามาได้กำแพงศีลมันไม่ได้ป้อ ง, งกันทุกไปได้ทั้งหมดมันก็มีความเหตุร้ายที่สามารถจะเ ล, ดล็ดรอดผ่านกำแพงแห่งศีลแห่งบุญเข้ามาได้ตรงนี้แหละต้องใช้กำแพงแห่งสติและปัญญาและคอยกั้นไม่ให้ทุกข์เข้ามากระทบกายและกระทบใจ หมายความว่าเสียเงินแต่ไม่เสียใจเสียเงินก็เสียแต่เงินใจไม่เสียถ้าใจเสียแล้วต่อไปมันก็เสียสุขภาพด้วยและต่อไปก็เสียงานเสียการเรียกว่าซ้ำเติมตัวเองนะคนหนึ่งเข้ามาขโมยเงินทำให้เราเสียเงินแต่ว่าเสียสุขภาพเสียใจนี่หรือเสียงานนี่มันเป็นที่เราทั้งนั้นแหละ ก็คือวางใจไม่เป็นรักษาแต่ศีลแต่ภาวนาไม่ทำก็ต้องเป็นแบบนี้แหละนะเอรว น, นี่เข้าใจธรรมะให้ดีนะไอ้่อไม่จะเป็นเรื่องกรรมก็ดีเรื่องอ น, นิสงส์แห่งศีลก็ดีถ้าเข้าใจไม่ผิดก็กลายเป็นความหลงความงมงายหรือกลายเป็นมิจฉาทิฐิได้